เวลาพวกเรานั่งรอนะหลวงพ่ อ, อยังไม่มาหรือหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้พูดเลยลก็รู้สึกตัวอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนิดๆหน่อยๆก็ต้องเอานะเวลาเป็นของหายากเราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเองหมดแล้วก็หมดเลยงานของเรายัางมียังไม่เสร็จ เราอย่าจมอยู่ในความทุกข์อยู่มีภาระนะจะต้องปลดเปลื้องจิตใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ชีวิตนะั้นความจริงหลวงปู่เทสท่านเคยบอกว่าสามใดยังมีกิเลสนั้นก็ยังมีชีวิตอีกมีเวลาอีกเวลาชาติหนึ่งไม่มากว่าชาติที่เจอพระพุทธศาสนานี่ยิ่งน้อยหนักขึ้นอีก ชาตินี้เราได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่พวกเรามีเหลืออยู่นี่ไม่มากเท่าไหร่เลยอย่าทิ้งเปล่าๆต้องรีบเรียนเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจเราให้ได้ในใจเราได้ธรรมะนะชาตินี้ไม่จบชาติต่อไปจะง่ายชาตินี้เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลย มันจะมาปฏิบัติจะรู้สึกยากชาติหน้าก็ยากบางคนก็คิดอะไรง่ายๆนะคิดว่าทำบุญเยอะๆจะไปพบพระรีอาลัยเมตรั ย, รยก็บรรลุง่ายไม่มีทางหรอกไอ้ขี้เกียจตั้งแต่ชาตินี้นะไม่ภาวนาตั้งแต่ชาตินี้ไปเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์มันก็ภาวนาไม่เป็นอยู่นั่นนะงั้นเราต้องรีบฉวยโอกาส ช่วกาสที่ว่าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่ยังไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยไม่รู้เรื่องอะไรมีชีวิตเหลืออยู่มากบ้างน้อยบ้างเราไม่รู้ว่าเราเหลืออยู่กี่วันแต่ดูหน้าตาแล้วอยู่ได้ไม่เกินส0ม0 0ื่นวันนะได้อีกสักหมื่นวันก็เก่งแล้วไม่แน่ว่าพวกเราจะอยู่ถึง เวลามีไม่มากเนี่ยแล้วท่านได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่าเวลาไปทิ้งพยายามปฏิบัติไว้ตั้งใจตื่นนอนมาตั้งใจรักษาสี่ห้าไหมสี่ห้าเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าลืมตัวเอง อย่างเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อมานะหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้เทศใจของเราไม่เหมือนตอนนี้รู้สึกไหมใจเราฟู้งซ่านหลวงพ่อนั่งฉันน้ำพวกเราก็ฟุ้งฟุ้งนุ้งไปเนะีย่ยเราทิ้งเวลาเปล่าๆพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆแต่อย่าให้ตึงเครียดถ้าตึงเครียดผิดเลยนะต้องไม่เครียดต้องรู้สึกสบายสบาย หายใจไปรู้สึกสบายสบยไม่มีอะไรทำแนละ้วก็นั่งหายใจไปไหนไหนก็หายใจอยู่แล้วอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือเรายืนเดินนั่งนอนเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลานะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรต่ออะไรหรือว่าอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งไหนไหนก็นั่งแล้วก็อย่านั่งใจลอยก็นั่งรู้สึกตัว ไหนๆจะเดินก็อย่าเดินใจลอยก็เดินรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นเป็นฐานเบื้องต้นเลยก็คือการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตใจมีสมาธินั่นเองถ้าเมื่อไรจิตใจไม่มีสมาธิจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปไหนฟุ้งไปดูรูปก็ลืมตัวเองฟุ้งไปฟังเสียงก็ลืมตัวเองฟุ้งไปดมกลิน่นก็ลืมตัวเองนะฟุ้งไปริมิมรสไปรู้สัมผัสทางกายฟุ้งไปคิดนึกทางใจแล้วก็ลืมตัวเอง เนี่ยจิตที่มันฟุ้งซ่านไปนะมันอย่าลืมตัวเราเองเนี่ยมันไม่มีสมาธิเนี่ยจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเนะี่ยมันจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยั้รู้ตัวอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะก็ได้แต่สมาธิยังไม่เกิดปัญญาเนี่ยบางคนนั่งมักง่ายให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะแล้วก็ดีเองเนนั้นได้แต่สมาธิเนี่ยเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว แล้วถจากนั้นถึงจะมาเจริญปัญญาได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญาเนีคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั้นถ้าลืมเน้ลืมตัวลืมกายลืมใจมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้นะงั้นเจริญปัญญาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นแจมแจ้งก็หมดความยึดถือหมดความยึดถือจิตก็สลัดรูปสลัดนามสลัดกายสลัดใจคืนในโลกไปไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วว่าพ้นทุกไปเพราะว่าไม่ยึดถืออะไรสักอย่างตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนสัพเพธรรมานารางอภพินนเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนะี่ยอยู่ๆจะไม่ยึดไม่ได้นะเพราะเรามีกิเลสยังไงมันก็ยึดมันไม่ยึดได้เพราะปัญญา ปัญญาเนี่ยทำให้เราเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะเห็นไตรลักณ์ของกายของใจได้เบื้องต้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ถ้ามีกายก็ลืมกายจะไปเห็นความจริงของกายได้ไงมีใจก็ลืมใจจะไปเห็นความจริงของใจได้ยังไงตรงที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องอยู่ สมาธิมีหลายแบบสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นสภาวะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าถ้าเข้าถึงอภปนาสมาธินะเท่าถึงอรูปฌานนะาบางคนถ้เดินปัญญาได้อรูปฌานนะั้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอีกฌานนะั้นมีสองชนิดอันนึงจิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อ น, นึงจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตถ้าจิตไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์เนี่ยเดินปัญญาไม่ได้ก็จะสงบอย่างเดียว จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะถ้าอยู่อย่างข้างนอกอย่างพวกเราเนี่ยเวลาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าเราได้คณิกะสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิชั่วขณะอย่าถูถูกคณิกะสมาธิขณะเดียวนี่แหละสำคัญหลายๆขณะก็ามาจากขณะเดียวเวลาที่อริยามรรคเกิดเกิดขณะเดียวไม่เกิดสองขณะงั้นขณะเดียวนี่แหละสำคัญที่สุดเลย อย่าไปท้อแท้ใจอย่าไปเสียใจว่าเราเข้าอัปปนาสมาธิไม่ได้อุปจาระก็ไม่ได้ได้แต่สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าคณิกะสมาธนะิชัว่วขณะเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยสมาธิชนิดนี้แหละไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนหรอก แต่พอได้โสดาได้อะไรนะจะได้ชาตอัตโนมัติอย่างน้อยแบบปฐมฌานได้ทุกคนได้ทุกองค์ได้อัตโนมัติเมื่อเรามาฝึกนะสังเกตใจใจลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันฝึกให้มากนะอย่าไปห้ามจิตอย่าไปห้ามว่าห้ามใจลอยถ้าคิดว่าห้ามใจลอยเมื่อไหร่ใจจะแน่นหนักแน่นแข็ง ไม่ก็ซึมไปเลยทื่อๆนะหนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่นะเรียกรู้เลยนะว่าจิตเป็นอกุศลละจิตที่เป็นกุศลจิตมันเบาจิตมันอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขนะยันรู้อารมณ์ไม่ใช่อยู่เฉยรู้ตัวอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้ขยันแอคทีฟหน่อยนะจิตเฉยเฉยอนนะั้นจิตไม่ได้เรื่อง ก็เข้าสมาธิชนิดพักผ่ น, นะติดสมาธิอยู่เฉยๆไม่อักทิพไม่เจริญปัญญาไม่ดูความจริงของกายของใจพยายามนะให้ใจอยู่กับตัวเองพอใจอยู่กับตัวเองแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็ดีกว่าไม่รู้สึกตัวเลย น, นั้นธรรมะมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างคนไม่มีศีล น, นะมีศีลขึ้นมาได้ก็ดีแล้วล่ะ ยังไม่มีสมาธิก็ถือว่าดีแล้วละ่ะเรรักษาศีลได้แล้วนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็ถือว่าดีแล้วละ่ะก็พัฒนาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยประคองจิตนิ่งว่างรู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยอันนั้นสมถะเลยนะก็ไม่ไม่พัฒนาต่อแล้วพวกเรา เรียนหลักทำมาให้แม่นแม่นะไม่งั้นเราไปฟังคนโน้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเราสับสนนะจำนวนมากเลยที่สอนกรรมฐานกันบอกให้รักษาจิตให้นิ่งนิ่งว่างๆไม่ยึดอะไรเลยนะประคองจิตเอาไวนะไ้นั้นมันเป็นสมาธิเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเคยได้ยินชื่อหลวงปู่มั่นไหมในห้องนี้คงไม่มีใครเคยเจอหลวงปู่มั่นนะ ท่านสิ้นไปตั้งแต่ปี2492นสะบางคนอาจจะยุเกินนั้นแต่ว่า60กสิขวาขึ้นไปจะเล็กนักนะไปเจอท่านก็คงไม่รู้เรื่องหลวงปู่มั่นสอนนะบระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยเยนะระวังอย่าให้จิตติดเฉยนิ่งนิ่งเฉยเรู้ตัวอยู่เฉยเย อันนั้นเป็นเรื่องของฤาษีชีพลัยถ้าไม่ใช่เรื่องของสาวกพระพุทธเจ้าแล้วมันต่ําต้อยไปพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญาด้วยท่านย้ำเลยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนนะถ้าคนไม่รู้ตัวเลยถ้ารู้ตัวขึ้นมาเป็นหลวงพ่อก็ชมแล้ว แต่ถ้าหลายปีก็รู้ตัวอยู่อย่างเดิมนะแยกขันไม่เป็นเดินปัญญาไม่ได้ไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจก็ไม่ชมแล้วละ่ะถือว่าล้าหลังคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วคนอื่นเขาแยกรูปนามได้แล้วเรายังรู้สึกตัวเฉยๆอยู่นะอันนี้ไม่ชมนะถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนจะชมเพราะว่าเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยคนที่รู้สึกตัวเป็นนี่มีน้อยเต็มทีเลยเดีนะ๋ยวว่าแต่เมื่อ10ปีก่อนเลยนะเมื่อ30ปีก่อนนะ หลวงพ่อเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะสมัยโ น, น้นครูบาอาจารย์ที่ดีที่เลิศนี่มีอยู่เยอะนะแต่ละวัดเนี่ยแต่ละองค์งดงามมากเลยภาวนาดีแต่ขนาดที่ว่ามีครูบาอาจารย์มากมายนะลูกศิษย์ลูกหาที่รู้สึกตัวเป็นนี่มีนับตัวได้เลยมีน้อยจริงๆเลยส่วนมากไปทําสมาธิแล้วนิ่งๆสงบนิ่งๆเฉยๆอ ย, อ ย, อยู่สมัยโน้นไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวหลงกันทั้งโลกเลย วัดหนึ่งยังหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยนี่หลวงพ่อสอนมานานนะสอนคนรู้สึกตัวเป็นเนี่ยเยอะแย ะ, ยะทุกวันนี้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็คือจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวการรู้สึกตัวมันเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นจุดตั้งต้นของการจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่รู้สึกตัวจิตใจไม่อยู่กันกนื้อกตัวเรเดินปัญญาไม่ได้จริงนะอย่างหลวงพ่อเตียนนี่ก็สอนขยับเนี้ ท่านบอกขย่าธาตรู้ปลุกธาตรู้ให้ตื่นขึ้นมาขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกขึ้นมาท่านบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ทันว่าจิตมันไปคิดขยับแล้วคอยรู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดเรารู้ขยับไปจิตหนีไปล้เนี่ยรู้ทันท่านบอกตรงที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติใช่ไหมพูดถูกเป๊ะเลยได้ต้นทางการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าได้โสดา ต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิพร้อมแก่การเจริญปัญญาเองถึงจะเรียกว่าลงมือปฏิบัติแค่ต้นทางการปฏิบัติยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะงั้นเราขยับตัวหรือทํากรรมาฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะใช้หลักเดียวกันเองอย่างเราพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดเรารูนะ้เราหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้เราดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปคิดเรารู้นะ เราขยับมือจิตไหลไปคิดเรารู้ความจริงแล้วจิตไหลไปนะไหลไปสองแบบไหลไปคิดก็ได้นะไหลไปเพ่งก็ได้อย่างขยับมือเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่มือก็ได้ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่มือก็ให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยรู้สึกกายอยู่นะแต่จะทื่อๆใจจะแข็งทื่อๆอันนี้ไม่ใช่จิตท e ี่มีสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้าจิตไปอย e ู่กับมือนะมันเป็นเพ่งมือเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญา หรืเวลาเรารู้ลมหายใจจิตเก็ไหลไปได้2แบบอันนึงไหลไปคิดอันนึงไหลไปจับอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนั้นก็เป็นสมถนะเหมือนจิตไปจับอยู่ที่มือเป็นสมถะจิตไปจับอยู่ที่ท้องเป็นสมถะจิตไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่แหละเป็นสมถะนั้นถะ้าจะเจริญปัญญาให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลไปจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้รู้ทันจิตที่ไหลนะ จิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่กระท้องก็รู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเลยจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแทนงั้นแวบแรกที่เรารู้ว่าหลงนะแวบแรกนะแวบแรกเลย แว บ, บแรกที่รั่วหลงนั่นแหละภาวะแห่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้นถัดจากนั้นแว บ, บที่2ที่3เนี่ยมักจะต่อด้วยการเพ่งจะคลาดเคลื่อนไปสู่การเพ่งนะเพราะกลัวว่าจะไหลไปอีกนะงั้นเราสังเกตให้เดียวขณะแรกสั้นๆ น, นิดเดียวตรงที่เรารั่วหลงนะมันจะมีภาวะที่แปลกๆอยู่อันหนะึ่งภาวะนั่นแหละคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวนะ จะอยู่แวบเดียวท่านเองถ้ามเป็นคณิกาสมาธิอยู่ชั่วขณะท่านเองเดี๋ยวก็ไม่ไม่เผลอไปใหม่ก็ไปเพ่งเอาไว้เนะงินเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึงนะ่งเธอจะฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้นะฟังซีดีไปแล้วรู้ทันใจไปใจไหลไปคิดรู้ใจไหลไปคิดก็รู้ จ, รจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าได้สมาธินะจะไปปร่มมาโลกได้นะไปเป็นพร่มได้แล้สูงกว่าเทวดานะแต่เป็นพร่มเวลาตายก็ส่วนใหญ่ตกนรกอีกนะ ลงมาหมดกําลังของการเพง่งอารมณ์ร้ายมันจะขึ้นโดยธรรมชาติเลยแต่พรหมที่ดีๆก็เยอะนะที่ไปแล้วไปเลยขึ้นสูงไปเรื่อยๆจน ถ, ถึงนิพพานไปเลยก็มีแต่พรหมบางพวกที่ไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นไปสงบนิ่งเฉยอยู่ออกจากความสงบมาแลวร้ายสังเกตดูพวกเราที่ติดสมาธิถ้าเมื่อไหร่หลุดออกจากสมาธินะจะร้ายมากกว่าคนธรรมดาอีกนะตรกน้นรกทั้งเป็นแล้วละ่นะ ใครเคยเป็นบ้างเยอะเลยนะทําความสงบไว้เนี่ยพัลุดออกมาแล้วโอ้โหร้ายนั่นจะติดสมถะไว้เป็นรลมเป็นผลมชั่วคราวเป็นผลมชั่วคราวก็ร้ายนิดหน่อยถ้าติดอยู่นานก็ร้ายมากนะนีวเราฝึกนะให้รู้สึกตัวทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ทําเลยไม่ได้กระทั่งฟังซีดีหลวงพ่อนะก็ใช้ได้นะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็รู้ทันใจของเราไป ใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ใจไหลไปคิดก็รู้นะลืมฝังใจมันลืมไปแล้วเราก็รู้เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาฟังต่อฟังเล่นๆนะฟังไปแล้วใจเผลอไปอีกก็รู้อีกเนะี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าจะเอาปัญญานะก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ไม่ต้องไปนั่งคิดมากหรอกฟังซีดีแล้วก็ดูจิต ด, ดูใจขึงนตัวเองไปฟังไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขฟังไปแล้วงงรู้ว่างงนะ ฟังไปแล้วกลุ่มใจทําไมคนอื่นเป็นเก่งกว่าเราเนี่ยอิจฉาขึ้นมานะฟังซีดีหลวงพ่อเราเกิดความอิจฉาก็มีรู้สึกไหมใครเคยฟังแล้วรู้สึกอิจฉาบ้างคนส่งกันบ้านทุกคนเลยเป็นเก่งกว่าเราหมดเลยนะทั้งที่ความจริงไม่ใช่แต่ละคนก็เก่งคนละแบบเราไปได้ยินเขาเก่งแบบของเขาวเราไม่รู้จักนะเราก็รู้สึกเขาเก่งกว่าเรานะไม่ได้เก่งกว่ากันเท่าไหร่รพ่อๆกันนะนะแย่พอๆกันนะ กิเลสท่ทวมอย่างเงี้ยต้องสู้เอานะงั้นเบื้องต้นทําหาหาอะไร เ, เรียกวิหารธรรมหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเพื่อแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเอยวพุโทโธพุโทโธจิตไหลแล้วรู้ก็ได้นะไหลไปไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งจิตให้นิงน่ ง, ง, งๆิงว่างๆก็ได้นะมันไหลได้สองแบบไหลไปคิดกับไหลไปเพงนะ่ง รู้ลมหายใจนะไหลไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งก็ได้ถ้าจิตไหลไปแล้วเราคอยรู้ไม่ห้ามไหลได้แต่ให้รู้ทันนะหลวงพ่อเตียนก็ขยับมือจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันก็จะรู้ตัวขึ้นมาเหมือนกันหมดนะถ้าภาวนาถูกก็เหมือนกันหมดหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อานาปนานสติหายใจ หายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะยังใจเริ่มสงบแนละมันจะตื้นลมหายใจมันจะสั้นลงมาอยู่ที่จมูกนิดเดียวเหมือนแทบไม่หายใจอ่ะมันกลายเป็นแสงสว่างมันเป็นแสงสวาง่สงสวางแล้วเราก็รู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้หายใจไปนะหรือว่าไม่หายใจก็อยู่กับแสงแต่ว่าแสงอย่าให้ไปไกลนะหยุดแค่ปลายจมูกนี่พอแล้วถ้าออกไปไกลนี่เพลิอนออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะงั้นอย่าทิ้งกายมีกายเหลือ ก, กายไว้หน่อย แต่ก็รู้สึกไว้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ก็จะได้สมาธิได้สมาธิแล้วมาเดินปัญญามาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแตะไว้เบาๆแต่เบาๆนะห้ามเพ่งนะเพ่งมากๆไม่ดีแน่นใจจะแน่นแตะรู้สึกแค่แตะเรารู้สึกอยู่เท่านี้แล้วพอจิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทัน การที่หลวงพ่อหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันหรืออย่างหลวงตามหาบัวพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนแล้วก็รู้ทันหลวงพ่อเทียนขยับมือไปแล้วจิตเคลื่อนไปจิ ต, จ ต, จตนี้ไปคิดแล้วก็รู้ทันแม้มันคือหลักเดียวกันให้กรรมฐานนะอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนไม่ใช่พุทโธดีที่สุดไม่ใช่อานาปนสติดีที่สุดไม่ใช่ทําแบบหลวงพ่อเทียนดีที่สุดใครทําแบบไหนได้ก็ทําสักแบบหนึ่งนะ ทำแบบใหญ่แบบหนึ่งก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปรู้ทันใจนะไม่ใช่บังคับนะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากทุกคราวที่เคลื่อนไปแล้วมีสติรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเคลื่อนไปเราก็รู้อีกก็ตั้งมั่นอีกนี่คนส่วนใหญ่นะจิตเคลื่อนเพาเคลื่อนไปแล้วไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจิตเครื่องแล้วมันจะเคลื่อนทั้งวัน จะไปตลอดเวลานะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะี่ยคิดไปเรื่อยๆจิตไม่กลับมาที่ตัวเองเนี่ยคนทั่วโลกเป็นอย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลยนี่เรามาฝึกของเราทุกวันนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้า จ, จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้รู้สบายๆไม่ห้ามเคลื่อนเคลื่อนเรารู้เอาเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทีแรกก็เคลื่อนไปแล้วก็นานกว่าจะรู้นะ เราหัดรู้บ่อยๆจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้บ่อย ๆ, ๆ, ๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะแห่งการเคลื่อนได้แม่นยำงั้นพอเคลื่อนปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยเคลื่อนปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยมันจะเคลื่อนไม่นานจะไหวคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกสอย่างนี้เลยนะตรงที่มันกลับมารู้สึกได้ถี่ขึ้นถีขึ้ น, ถ, นถีขึ้นในที่สุดเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันไว้ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเกิดทั้งวัน ทั้งที่ความจริงความรู้สึกตัวนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราะฉนั้นจิตที่รู้ตัวอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เกิดไม่ดับบางคนดูจิตไม่เป็นนะไปนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตนิ่งจิตทรงตัวอยู่เฉยๆสว่างสวายอยู่เฉยๆทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าจิตเที่ยงอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงนะถ้ายังเห็นจิตเที่ยงก็ยังยึดถือจิตอยู่ว่าจิตเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้าใครพูดว่าจิตเที่ยงได้ยินประโยคนี้ต้องรู้เลยนะว่าโซดาก็ไม่ได้ พระโสดาบันเนี่ยเห็นจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราแล้วนะมันไม่เที่ยงหรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนนะงั้นถ้าใครเขาบอกเราว่าจิตเที่ยงเราก็ฟังเนี่ยไปว่าเขานะแต่เราก็รู้เลยว่าไม่ใช่เสื้อทั้งโสดาบันไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอรหันต์หรอก น, ะนั้นเรามาเฝ้ารู้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วก็รู้สึกไหลแล้วรู้สึกสุดท้ายเนี่ยความรู้สึกตัวจะต่อเนื่องยาวนาน แต่ทั้งๆที่ต่อเนื่องยาวนานเราก็รู้ว่าความรู้สึกตัวนะั้นจิต ท, ที่รู้สึกตัวนะั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะเพราะจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาไม่ใช่คงที่อยู่หรอกการที่เราเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาที่ละเอียดมากเลยนะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ไม่นานเราก็จะรู้ความจริงเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นของที่เกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอก นะถ้าผูดด้ใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะีย่ยเป็นพระโสดาบันเห็นด้วยจิตจริงๆนะจิตยอมรับตรงนี้จริงๆเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเพราะว่าทําไมต้องดูว่าจิตไม่ใช่เราได้ลําพางดูว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกาศาสนาพุทธเขาก็เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่เคยสดับไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแต่คนที่จะเห็นได้ว่าจิตใจไม่ใช่เราเนี่ย อาศัยธรรมะในธรรมวินัยของท่านนี่แหละถึงจะเห็นได้ถ้าทําไมต้องมาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถึงจะเป็นโสดาเห็นกายไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่เป็นโสดาถ้าเห็นกายนะกายมันยงเป็นของนอกๆอยู่จิตนี่แหละเป็นประธานเป็นใหญ่นะเป็นผู้นําของธรรมะทั้งหมดถ้าจิตตัวเดียวไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีก ถ้าไม่ยึดถือจิตได้ในโลกนี้จะไม่ยึดถืออะไรอีกเพราะของอื่นเนี่ยเป็นของที่ไกลตัวเรามากกว่าจิตจิตนี่เป็นของที่ความรู้สึกเป็นเราเนี่ยแนบอยู่เลยนะถ้าเห็นได้ว่าไม่ใช่เรานะในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตในโลกนี้จะไม่ยึดอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรให้ยึดได้อีกแล้วะงั้นจิตนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยเป็นตัวประธานเลยทำทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยจิตด้วยใจนี่เองงั้นถ้าจิตไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดอะไรอีกแล้วนะ การที่เราพาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจนี่นะจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติจริงๆอันนี้หลวงปู่เทสเคยสอนหลวงพ่อเลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องถึงจิตถึงใจนะถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะอย่างเราไปดูกายดูบางคนมันจําเป็นต้องดูกายมันดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนนะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อยีกองคือหลวงปู่สุวัตนะท่านเคยบอกเลยบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย นะกายมเป็นบ้านของจิตนั่นหาจิตเจ้าของบ้านไม่เจอนะก็ไปดูบ้านเขาวันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านนะท่านสอนนะว่าหลวงปู่ ม, มั่นสอนท่านมาอีกทีดูจิตได้ให้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะทำความสงบไวนะ้ท่านสอนมาอย่างนีนะ้เอามาเล่าพวกเราต่อนะสืบทอดกันไปธรามะดีๆอย่างนี้หายากนะสุดท้ายเมื่อมาตัดกันที่จิตนึง แตกหักกันลงที่จิตนิงเวลาที่จะแตกหักมันลงที่จิตเนี่ยนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิอย่างพวกเราเจริญปัญญานะเราแยกธาตุแยกขันธ์นะจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิแล้วนะดูกายทํางานดูใจทํางานไปด้วยดูเฉยเยไม่ต้องไปแทรกแซงความโลภเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันก็เห็นแค่ว่าความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจิตที่ไปรู้ความโลภก็อยู่อีกอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ความโลภแล้วเดี๋ยวมันก็หลงไปอย่างอื่นลนะ ทุกอย่างมีแต่เกิดระดับเกิดระดับเนะี่ยดูอย่างนี้เรื่อยถนะึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันพอนะมันพอเมื่อไหร่นะจิตจะรวมเข้าอับปนานาสมาธิเองเข้าฌานนะแต่การเข้าฌานอันเนี้จะไม่เข้าฌานแบบไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์มันจะเข้าฌานที่ทวนกระแสเข้ามาตั้งอยู่ที่จิตเลยงั้นสมาธิหลวงพ่อถึงบอกสมาธิมันมี2แบบนะสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์ใช้ทําสมถะอย่างเดียวเลยนะ อย่างเราพุทโธพุทโธจิตจับอยู่ที่พุทโธ ร, รู้ลมหายใจไปจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยสมาธิอย่างนี้ไว้ไว้ ท, วทำสมถะไว้พักผ่อนได้อย่างเดียวแหละแล้วเอาไว้ทํางานได้ทํางานทางโลกเนี่ยใช้สมาธิชนิดนี้นะส่วนจะตอนที่จะเกิดมากเกิดผลนะตอนที่ทําวิปัสสนาเนี่ยใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่งั้นการตอนที่เราฝึกวิปัสสนาฝึกเห็นความจริงของกายของใจแล้วเราฝึกใจเราให้ตั้งมั่นก่อน แล้วก็ใช้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นคนดูเห็นกายเป็นทํางานเห็นใจมันทํางานใจเป็นคนดูใจไม่เคลื่อนไปไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับด้วยนะถ้าบังคับใจจนแน่แน่ผิดเลยถ้าไม่ได้บังคับนะมันเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้มันจะตั้งขึ้นมาได้เองถัดจานั้นเห็นกายเห็นใจเขาทางานไปเห็นกายชัดดูกายเห็นใจชัดดูใจสุดท้ายมันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละแล้วก็ถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะตัด การรับรู้ภายนอกนะรู้สึกขึ้นมาที่ใจอันเดียวเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตอีกซึ่งทั้งทังที่ความจริงก็คือมันรวมมาตั้งแต่มันตั้งมาที่จิตตั้งแต่ตอนทํำวิปัสสนาแล้วนะงั้นตอนที่ปัญญาแจ้งเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ภายนอกเพราะมันเห็นแล้วของข้างนอกหาสาระไม่ได้มันทวนกระแสรวมพงที่จิตที่เดียวเลยสติอย่างลงที่จิตนะสมาธิตั้งอยู่กับจิตอยู่ก่อนแล้วสติระลึกรู้ลงที่จิตนะ ก็จะเห็นสภาวะธรรมภายในจิตเนี่ยทำงานขึ้นมาสองขณะบ้างสาขณะบ้างถามว่าอะไรทำงานตอบไม่ได้ว่าอะไรทำงาน <ต Dual. S 1> เห็นแต่ว่าสิง่งสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสองสาขณะนะสติระลึกรู้อยู่ตัวนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะปัญญาเกิดตรงไหนเกิดที่จิตนะนะั่นแหละสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกรู้ลงที่จิตนะ ปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ปัญญาเข้าใจขึ้นที่จิตเองไม่ได้ไปเข้าใจอยู่ข้างนอกนะงั้นองค์ธรรมความดีทั้งหลายกุศลทั้งหลายเนี่ยจะประมวลตัวนะรวมประชุมตัวลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวกันในขณะที่คุณงามความดีทั้งหมดเลยที่เราสร้างสมบมบูรณมานับพบนับชาติไม่ท้่วนะับประมวลตัวรวมตัวกันเข้ามาที่จิตในขณะเดียวกันเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละ ันในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะคุณงามความดีทั้งหมดนะ่ะประชุมตัวกันรวมตัวลงนะศีล ส, สมาธิปัญญานะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนี่ที่ดีๆนี่ลงที่เดียวกันนะสติธรรมวิจยะนะวิริยะปัสสัตทิปิตนะิสมาธิอุเบกขาในฝ่ายของผู้ชงก็รวมลงที่เดียวกันนี้เนะนี่ยคุณความดีทั้งหมดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะในขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง เมื่อความดีทั้งหมดรวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันนีจะเกิดพลังที่มหาศาลขึ้นพลังที่มหาศาลนีจะแหวกชำแรกลงไปแทรกลงไปนะทำลายอาสวะกิเลสนะทำลายสังโยชน์กิเลสเบื้องลึกเลยที่ซ่อนอยู่ในสันดานในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะมันพลังของความดีนี่จะแหวกเข้าไปนะสิ่งที่ปกคลุมห่อหุ้มจิตอยู่คืออาสวะกิเลสจะแตกตัวออก คุณงามความดีทั้งหลายก็เข้าไปทํำลายกิเลสเบื้องลึกของเราที่เรียกสังโยชน์กิเลสใต้จิตสํานึกเลยกานะขาดในขณะจิตเดียวงานทั้งหมดนี้เสร็จในขณะเดียวในขณะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะนั้นล้าสมุทัยเทียบร้อยแล้วในขณะนั้นแจ้งที่โรธคือแจ้งผลิภานแล้วในขณะนั้นเกิดอริยมรรคแล้วนะช่วงขณะแวบเดียวเท่านั้นเพราะงั้นแวบเดียวอย่ดูถูกนะแวบเดียวสำคัญที่สุดเลย ถ้าบอกแมสเนี่ยเกิดอริยมรรคมา5ชั่วโมงแล้วอันนั้นของเกย์นแน่นอนอันนั้นเกิดสมาธิเฉยๆเกิดนิมิตเกิดอะไรแล้วไม่ใช่อริยมรรคล้อริยมรรคเกิดช่วงขณะแวบเดียวท่านเองถัดจากนั้นเนี่ยเสร็จธุระแล้วเสร็จธุระแล้วจิตจะเสวยความสุขอยู่สองสขณะนะพวกที่ปัญญากล้านะอินทรีย์แก่กล้าเสวยความสุข3ขณะฤๅษีฝึกมาตั้งนับพบนับใช้ไม่ถ่วนเสวยความสุข3ามขณะจิตเอง3ามขณะจิตนี่ นี่ดีดนี่ตามตำราบอกนดิดหนึ่งทีนี่แสนโกรธขณะแต่อย่าไปเชื่อตำราเขียนเวอร์ไปหน่อยนะแต่รวมความให้สั้นนิดเดียวเองนะมีครูบาอาจารย์องคหนึ่งท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อพุธพูดชื่อได้แลเพราะว่าท่านสิ้นไปแล้วไม่เป็นอาจารย์อวดอุตรีอะไรกับท่านลนะท่านบอกท่านเทศอยู่นะท่านเทศเทศอยู่เนี่ยจิท่านรวมเข้าไปตัดกิเลสล้างกิเลสทำลายกิเลสสิ้นไปเลยในขณะที่กำลังเทศอยู่นะ ถ้าแสดงว่าอะไรท่านเทศอย่างมีสติมีสมาธิเห็นไหมมีปัญญาเทศเทศไปจิตทวนกระแสกลับเข้ามาดูของเราเองในของตัวเองนะแล้วขาดจะ บ, บ้านตรงนั้นเลยท่านบอกพอขาดนะจิตพอถอ ย, อ, ยออกมาจากกระบวนการที่มันล้างกิเลสนะท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงอะไรพอนึกได้เทศต่อไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับท่านเว้นวักหายใจธรรมดา น, นั่นเองเนี่ยช่วขณะเนี่ยแค่นิ้เองนะงั้นไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอก งั้นบางคนบอกภาวนาแม่เสียดายอรียมักจะเกิดแล้วเสียดายเนี่ยตั้งมาเกือบชั่วโมงแล้วอีกหน่อยก็คงบรรลุไม่บรรลุหรอกนานไปมนชั่วขณะเดียวเท่านั้นนี่จขาดนะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะจากอภิ น, นาสมาธิกลับมาอยู่อย่างพวกเรานิ่งจิตจะทวนกลับมาอยู่ในสภาวะอย่างพวกเราเรียกว่ากา ม, มาวจลัภูมิภูมิที่จิตยังร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลินกล้นกาย นะออกมาแล้วเนี่ยจิมจะทวนกลับเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้จะรู้เลยว่ากิเลสอะไรล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังอยู่นะถ้าขั้นสุดท้ายก็รู้เลยไม่มีอะไรให้ล้างแนละจะไปพิจารณาธรรมะนะจะไป แ, แตกฉันหรือไม่แตกฉันก็อยู่ที่หลังการตัดตัดสินไปแล้วเนี่ยจนะพิจารณาคุณได้เจ้าเราพิจารณาอยู่49วันพิจารณาธรรมะเนะีนะ่ยเราไปเรียกว่าสเสวยวิมุติสุข ท่านก็สเสวยบ้างนะช่วงที่ท่านทบทวนธรรมะนะทบทวนปฏิจจสุบาตอะไรางนี้ทบทวนพระอาิธรรมนะรัศมีท่านออกเนี่ยตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะแสงของท่านที่เรียกว่าฉัพนารังสีแสงหกอย่างห ก, หกเฉดะหกสียังไม่เกิดท่านมาพิจารณาธรรมะนะแสงอันนี้ถึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนตัดเฉยๆเนี่ย ท่านยังไม่ได้พิจารณาธรรมะเพื่อจะไปสั่งสอนใครนะก็เป็นสภาวะคล้ายๆพระปัจเจกนั้นชาปนอารังสียัไม่มีพอท่านพิจารณาธรรมะแนละ้วท่านจ ะ, จะไปสั่งสอนโลกอะไรนี่นะชาปนอารังสีออกเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงบริสุทธิ์ไปเต็มภูมิไปแล้วล่ะแต่ท่านทวนธรรมะนะธรรมะซึ่งไม่มีคําพูดนะธรรมะซึ่งไม่มีคําพูดถ่ายทอดออกมาทบทวนประมวลออกมาจัดหมวดหมู่ออกมา เพื่อจะเอามาสอนอัศจรรย์นะรือภาวนาเขาเวลาเหลือน้อยนะแต่และคนเหลือไม่มากแนละ้รีบภาวนารักษาศีลห้าฝึกใจให้อยู่กันเน้อกับตัวแล้วก็แยกธาตุแยกขันดูกายดูใจเขาทางานด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไปนะไปกินข้าวไปกินข้าวก็คือเวลาปฏิบัตินะไม่ใช่เวลาปฏิบัติคือเวลาที่อยู่ในห้องพระอย่างเดียวนะไม่ใช่ หายใจอยู่ก็ปฏิบัติอยู่นิมนต์เลยครับ